จากปสารครูบาจารย์เพื่อนสาธรรมนี้จะเดินพอรอยอย่างแม่ชีรละาติธรรมทุก ท, ท่านฟังธรรมมาตามสบายตอนนี้ก็สารคุ่มแล้วพวกญาติโยมก็ไม่เคยอยู่ดึกอย่างนี้มาก่อนต่อมาก็จะพูดธรรมะสบายๆให้โยมฟังเพื่อไม่ให้ง่วงอาจจะลดเรดลงหน่อยคืออาจจะนิฐานละสองเรื่องแล้วก็้อคิด ทิศฐานที่อดนาตั้งใจเล่าโยงฟังก็เป็นทิศฐานเกี่ยวกับการมีอยู่ของสังคมแล้วก็หมู่คณะวันนี้เราจะพูดเรื่องเกี่ยวกับความสามัคคีเรื่องแรกใครเก่งที่สุดมีวงดนตรีอยู่วงหนึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังมากแสดงที่ไหนผู้ผู้ชมเนี่ยติดตามฟังกันมากวงนตรีวงนี้บรรเลงเพลงได้ ไ, ไ พ, ดพ่ล้อเพาะพิ้งไปที่ประทับใจ ผ, ผู้ชมอย่างมากทําให้ ได้เงินค่าจ้างมากขึ้นเรื่อยๆและส่วนแบ่งของนักดนตรีก็ได้มากขึ้นพอตอนหลังขันด่างขึ้นมากๆนักดนตีแต่ละคนก็มีความรู้สึกว่าเราเนี่ยเก่งกว่าคนอื่นมีความรู้สึกว่าน่าจะได้ผลตอบแทนเงินค่าจ้างมากกว่าเพื่อนก็เริ่มจะหม่นไส่การอิจฉากันมีการโต้เถียงขัดแย้งกันอยู่เป็นประจำ ไปเล่นที่ไหนตอนหลังก็เริ่มเสื่อมแล้วจากเคยที่เล่นไพลอะเพาะพิงตอนหลังเล่นแบบไม่สามารถคีกันคือเล่นคนลาคีเล่นไม่ตรงจังหวะกันผู้ชมก็เลยไม่ค่อยเชื่อถืองานก็เริ่มน้อยลงจนในที่สุดก็ต้องยุบวงแยกวงกันไปวันหนึ่งพระราชาได้ยินกฤษฎ์ศักดิ์ในอดีตของวงตีคณะนี้ก็เคยเล่นไพลอมาก แต่ก็รู้ว่าอยากสงสัยด้วยว่าทําไมาต้องถึงต้องยุคบงจึงเชิญให้มาแสดงต่อหน้าพระที่นั่งดนตรีก็กลาวทูลว่าข้าพระ อ, องค์ยินดีจะแสดงแต่ขอให้พระ อ, องค์ช่วยตัดสินด้วยว่านปนตรีคณะนี้ใครเก่งที่สุดและควรจะได้รับเงินรางวัลตอบแทนมากที่สุดพระราชาเมื่อทราบจุดประสงค์ของนักดนตรีก็ทรงตัดตอบว่า ก็ได้แต่ต้องให้แสดงให้จบก่อนนะ แ, แล้วกรารรอคอยก็มาถึงที่ท้องพะโลงนักดนตรีวงแตกก็กลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อแสดงให้พระราชาและชาววังได้ชมแต่นักดนตรีแต่ละคนเคยมีความบาดหมางกันมาในอดีตตอนนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วในอดีตเนี่ยเคยเล่นด้วยกันอย่างสุขนานและข้อขากัน หลังจากแยกย้ายกันไปขั้นการแสดงเริ่มขึ้นนักดนตรีซึ่งไม่สามารถพีกันอยู่แล้วก็ต่างโชว์เต็มที่เลยใครใครถนัดด้านไหนก็แสดงเต็มที่ด้วยหวังจะให้พระราชาชื่นชมโดยไม่มีการฝึกซ้อมร่วมกันไม่มีการคือไม่รู้กันมาก่อนอะต่างคนต่างเล่นขั้นแสดงจบนักดนตรีก็ถามพระราชาว่าเป็นไงบ้างพระองค์ช่วยตัดสินให้ทีว่าในคณะใครเก่งที่สุด พระราชาตัดตอบว่าข้าฟังไม่ดูเรื่องเลยเพราะพวกเจ้าต่าหันต่างเล่นดนตรีไม่เป็นจังหวะอยากให้พวกเจ้าแสดงใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่ขอให้เล่นเต็มคณะเล่นดีกว่าเดิมจะได้ไหมนักดนตรีทั้งหมดก็มองหน้ากันเพราะแต่ละคนตอนนี้ก็ไม่เคยอยากแสด ง, งพระราชาเท่าไหร่เลยแต่ด้วยความเป็นสันทัดยาของนักดนตรีจึงมีความรู้สึกว่าจําเป็นจะต้อง ร่วมมือร่วมใจกันสักครั้งหนึ่งทุกคนจึงหยิบเครื่องมือที่ตัวอนถนัดเครื่องมือดีซีตีเป่าอ่มาเทียบเสียงกันแล้วก็ลองคีเสียงให้เข้ากันแล้วก็เริ่มบรรเลงดนตรีตอนนี้ดนตรีก็เริ่มไพเลาะแล้วไพเราะกลมกลื่อนแปนเดียวกันแล้วจะเป็นเสียงปี่เสียงเสียงละนาดเสียงพิมเสียงทับกับโมงต่างๆเนี่ยจะเข้ากันได้สนิทเลย มีความไผ่ล้อพอพิงนังตีแต่ละคนก็เล่นด้วยความสุขมีความสุขสนานเหมือนครั้งในอดีตคานแสดงจบพระราชาก็ทรงยินดีมากก็ให้รางวัลด้วยรวมพอพระทยัยแล้วได้รับเสียงตอบมือจากชาววังเป็นอันมากแล้วพระราชาก็ถามว่าพวกเจ้าอยากรู้ไหมว่าใครเก่งที่สุดนังตีทั้งหมดก็บอกหน้าการบอกตอนนี้ข้าพระองค์ไม่อยากรู้แล้วว่าใครเก่งกว่า เพราะไม่มีใครเก่งกว่าทุกคนต้องสามัคคีกันถึงจะมีความสุขและไปด้วยกันรอดนิทานเรื่องนี้ก็จบเพราะความสามัคคีเนี่ยไม่อิจฉาที่เสียอาการแบ่งปันความดีให้กันและกันเนี่ยนำพาคือความสุขงานที่ยากก็กลายเป็นงานที่ง่ายอย่างวัดป่าสุขโตงวัดป่ามหาวันวัดผุคทองเนี่ยสามวัดวัดพี่วัดน้องเราร่วมมือกัน เวลาทำงานใหญ่ทุกครั้งเนี่ยก็รุ่งร่วทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นการจัดงานร่างสังขารขหลวงพ่อซึ่งเป็นงานใหญ่มากเลยมีคนมาร่วมเป็นหมื่นหรืองานต่างๆว่าเราก็จัดได้สบายเพราะว่าว่าเรามีบุคลาก ร, กรมากมายมีฝ า, สามสารถแตกต่างกันแต่เราสามารถใช้ความแตกต่างเนี่ยมารวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้ไทยวัดจริ ล, ลุ้งเรือง แต่ต้องไม่อิจฉาริสิยากันเพราะถ้าอิจฉาลิษยาการจะเป็นแบบนิทานเรื่องต่อไปนิทานเรื่องที่สองอะไรไปเหตุวัดล้างมีวัดตาแห่งหนึ่งวัด น, นี้ในอดีตเคยเจริญรุ่งเรืองมาก่อนในอดีตเคยมีนักปฏิบัติธรรมมาที่หลายร้อยคนมีโรงครูสามารถรองรับนักปฏิบัติธรรมได้มากมายมีครูบาอาจารย์ มีคนมาถือศีลมีคนมาปฏิบัติธรรมไม่ได้ขาดเมืเ่อเจริญคนแดนใกล้แดนไกลแต่ตอนนี้ได้กลายเป็นวัดล้างเสร็จแล้วพระพุทธรูปเต็มไปด้วยใหญ่ยั ง, ยงมุมเต็มไปด้วยฝุ่นเต็มไปด้วยที่อยู่ของสัตว์ตุ๊กแกขังคาวปวกสัตว์ต่างๆได้ขัามลาสาัยอยู่วัดจะพืชได้ปกคลุมไปทั่ว มองไปทางไหนได้แต่หดหู่เศร้าใจขณะนั้นก็ได้มีพระสามรูปได้มาเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายพระสามรูปนี้จะมีความถนัดเป็นคนละด้านพระรูปที่หนึ่งจะมีความสามารถด้านช่างเป็นช่างไฟช่างปลาปลาช่างไม้ช่างปูนคือช่างคือพระรูปนี้เก่งทุกอย่างคือเป็นสารพัดช่งางพระรูปที่สองเป็นพระดักเทศสามารถ ผู้ทาติโยมรู้จักบาปบุญคุณโทษเรียอะไรเรียอะไรให้โยมทำบุญแล้วก็อีกหลายอย่างสักคือสร้างทธาให้ญาติโยมแหละมาวัดองค์นี้เก่งมากพระรูปที่สามเป็นทับกรรมาฐานสอนการเจริญสติสร้างความ ร, รู้สึกตัวพระสามรูปนี้ไม่รู้มีรูปใดทักค้นมาว่าอะไรไปเหววันล้างพระที่เป็นช่างก็ตอบว่าพอพระในวัขี้เียดทรัพย์สินในวัดจึงไม่พอภูน พระนักเทศก็ตอบว่าพระในาวัรไม่ยอมศึกษาหาความรู้ไม่ยอมศึกษาพระธรรมวินยัยไม่ยอมผลกายส่วนพระกรรมฐานก็บอกว่าพระในาวัดไม่สำรวมเพราะไม่ไม่มีการเจริญสติไม่มีการปฏิบัติธรรมจึงทำตามกิเลสญาตยโยมยิ่งหมดศรัทธาจึงไปเหววัดล้างทั้งสามโพลที่สามเห็นไม่ตรงกันคือได้เถียงกันอะ ว่าความเห็นของตนเนี่ยถูกเมื่อตกเราก็ไม่ได้เลตัดสินใจว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเราสามรูปเนี่ยจะลองอยู่ดูแล้วจะใช้ความสามารถเนี่ยมาพัฒนาวัดจะลองดูว่าใครจะประสบความสําเร็จที่สุดพัชช่างก็เริ่มซ่อมแซมกุติซ่อมแมซ ม, แสมสาราหน้าซ่อมแซมโรงครัวแล้วก็ทําให้น้ําไหลไฟสว่างทาสีใหม่คือทําให้วัดเนี่ยหน้าอยู่ยิ่งขึ้น ให้ดูเป็นเหมือนไม่ไมล้างแล้วตอนนี้พระรูปที่สองที่เป็นนักเทศก็เริ่มเรียร์ไหลบอกบุญเริ่มชักชวนให้โยมมาถือศีลฟังธรรมพระรูปที่สามก็เริ่มสอนกรรมฐานโยมให้โยมมายกมือสร้างความสุขตัวทั้งสามคนก็เริ่มทําตามความสามารถของตัวเองแล้วก็ได้ผลญาติโยมจากแดนใกล้และไกลก็เริ่มทยอยกันมาวัดยิ่งขึ้น พอเห็นว่าพระสามรูปนี้มีความสามารถและทําจริงแม่ชีก็เริ่มมากันพระอรุกะก็เริ่มมาอยู่มากขึ้นจนตอนนี้วัดนอกจากไม่ล้างแล้วกับเจริญรุ่งเรืองขึ้นเหมือนในอดีตอีกครั้งหนึ่งแต่แล้วคันถือเวลาปีหนึ่งก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นมีเสียงบอกว่าเพราะฉันน่าหากที่ทําให้วัดเจริญรุ่งเรือง เพะฉัน่หากที่ทาให้วัดมีคนเข้ามากมายอันนี้เสียงพูดจากพระสามรูปนะครเพราะต่างคนต่างว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนทำให้โยมเข้ามาวัดทำให้วัดเจริญยิ่งขึ้นไม่มีใครยอมกันต่างคนก็ว่าตัวเองเนี่ยเก่งกว่าและแล้วในที่สุดญาติโยมมาวัดก็เริ่มเอือมละอาพาระสามูปนี้เพราะทะเลาะกันอยู่ประจำศรัทธาเริ่มตกตอนนี้คนก็เริ่ม ค่อยๆทยอยการออกจากวัดไปเชียรคนสองคนพระในวัดที่มาอยู่ก็เริ่มไม่เชื่อถือแล้วคือเบื่อก็เลยไปอยู่วัดอื่นกันหมดไม่ชีก็เห็นว่าพึ่งไม่ได้ก็ออกจากวัดไปหมดตอนนี้วัดก็เริ่มเสื่อมลงเสื่อมลงและแล้ววันที่ทั้งสามจะจากไปก็ได้คำตอบว่าเพราะอะไรวัดถึงล้างเพราะพระในวัดไม่สมานฉันท์กับตังหากวัดถึงล้างอันนี้ อาจารย์ได้ชายท่านพูดเกินหัวไว้อธมาก็นํามาเล่าเป็นถายญาติโยมฟังอธมาเห็นมาหลายวัดแล้วที่เป็นแบบนี้นะเห็นกับตาตัวเองตั้งแต่สวนโมกสวนโมกเนี่ยไม่ล้างนะแต่ว่าอาศัยบา ร, รมีหลวงพ่อพุทธทาสัา ต, นตอนหลังเนี่ยมาตกถืออาจารย์โพแล้วก็ตกถืออาจารย์สุชาติก็ค่อยเราค่อยเห็นความเสื่อมลงเรื่อยๆเสื่อมไปเรื่อยๆแล้วก็วัดท่าใหปิก อันนี้ก็เห็นประเทศปีก็มีแม่ชีมาอยู่หลวงพ่อประสิทธิ์ท่ า, ามนมนณาภาพไปเนี่ย ส, สองปีแรกเวลาจัดงานรักสังขารลูกศิษย์มาเต็มวัดญาติโยมก็มากันเพียบแต่พอหลังจากนั้นสี่ห้าปีลูกศิษย์ลูกศิษย์ที่เป็นพาหรือแม่ชีที่วัดยังไม่ไปเลยเราไม่้องพูดถึงคนอื่นลูกศิษย์ที่เคยเป็นรองเจ้าวาเคยผู้ช่วยก็เริ่ม แยกย้ายไปตั้งสํา น, นักเองไป อ, อยู่ที่กันหมดอันนี้เราก็เห็นได้ว่าวัดดังเนี่ยถึงครูบาอาจารย์ที่เห็นธรรมทัฐรัสังสานไปความเสื่อมก็เข้ามายุคเว้นลูกศิษย์ที่อยู่เนี่ยจะมีวิสัยทัศน์ไม่แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันไม่เห็นแกนผน่ผลประโยชน์พผลประโยชน์นี่ไม่เข้ า, ข า, ขาใครออกใครนะแต่คนอีกคนึรับรับแต่ทรัพย์อย่างเดียวอีกบางคนก็ยากจนอยู่นั่นแหละคือผลประโยชน์ไม่ลงตัว เพราะว่าก็ทำให้อยู่กันยากแล้วมันมีหลายเรื่องพาะส่วนมากบางทีก็แก่งแย่งชีดีคิงเด่นกันแย่งผลงานกันพอทาไปทำมาเนี่ยก็ทาให้อยู่กันยากคนที่มีความสามารถก็แยกย้ายอยู่ที่อื่นกันหมดเหลือแต่คนที่ไร้ความสามารถอยู่เฝ้าวัดต่อไปอันนี้เห็นมาหลายวัดแล้วอันวัดที่จะไปเสื่อมได้จะต้องมีบุคลากรที่มีความสามารถอยู่ด้วยกัน แล้วมองเห็นประโยชน์ส่วนรวมไม่เห็นแค่ประโยชน well, ์ส่วนตัวพราะถ้าเห็นประโยชน์ส่วนตัวปุ๊บเนี่ยมันทําทำทำงานยากมันจะเอาตัวมันจะตัวตัวเองอะได้ผลประโยชน์หรือเปล่าคือจะเห็นประโยชน์ตัวเองไว้ก่อนแต่ถ้เราทําเพื่อเป็นบุญกุศลไม่เห็นกับตัวเนี่ยทําเพื่อผู้อื่นอันนี้ต้องคิดเหมือนกันหมดนะก็คิดอยู่คนของคนอีกคนค่าเพื่อผลประโยชน์ทำเพื่อเงินเข้ากระเป๋าเนี่ยยากอีกหน่อยว่าก็เจ๊งเพราะแต่ละคนผลประโยชน์เหมือนกันแล้วเราไม่อิจฉาซึ่งกันและกัน บางคนจะดังก็อันี่ถือเป็นบุญบารมีของท่านบางทีเราจะไม่ดังเราก็พอใจสิเราเป็นอยู่ใช้ชีวิตแบบพระนักน้อยสมถะใช้ตามมีตามได้ถ้ากินคิดอย่างนี้ปุ๊บเราก็มีความสุขเราก็ไม่เปรียบเทียบวิจฉาใครมีราสักร้ามากใครมีราบสักร้าน้อยใครจะดังใครไม่ดังเราก็ทําตามหน้าที่อยู่ของเราเราไม่แกลงแย่งชีงดีชิงเด่นชิงเด่นกันถ้าพระที่อยู่ขี้บดเนี่ย วัดก็ไม่ว้ก็จะไม่เสื่อมเพราะเราไม่ได้เน้นตัวครูบาอาจารย์เป็นหลักแต่ถ้าเน้นจะเสื่อมหมดแหละเพราะครูบาอาจารย์ท่านละสังขารไปปุ๊บเนี่ยบารมีท่านมากและพระในวัดเนี่ยบางทีปฏิบัติทำไม่ถึงท่านญาติโยมก็ไม่ศรัทธาเฮ้ยอันนี้ก็ไปไม่รอดใ น, นวัดที่จะไม่เสื่อมได้ก็ต้องพระต้อสามะคีการสามะคีก็คือพลังทํางานเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กได้ท้าย ห, หมู่คณะมีความสุข ไม่ฉาดขึ้นกันแล้วกันรมมาเห็นว่าพูดมาก็สมควรกับเวลาสุดท้ายนี้จะขอญาติธรรมทุกท่านจงมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปที่สิ่งใดถูกต้องก็ขอให้สมปัานาขอให้บรรลุธรรมในชาตินี้หรือไม่ก็ชาติหน้าด้วยการทุกท่านทุกคนเทิน